มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัติยวัคเวทนาลักษณะปัญหาที่เก้าถามว่า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 เวทนาและขณะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้